ในบรรดาของที่มีสาระเราก็รู้ต对对่อไปอีกอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์สาระบางอย่างไม่มีประโยชน์กับเราไม่มีประโยชน์มีสาระจริงแต่ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเท่าไหร่อย่างรู้ว่าดาวอังคารเกิดมาอย่างไรอะไรมีสาระมันก็มีเหมือนกันนะแต่ไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่ในบรรดาของที่มีประโยชน์นะยังบีมลงมาอีกบีบลงมาได้อีก อะไรควรกักเราอะไรไม่ควรกักเราของที่มีประโยชน์เช่นการเจริญสติปัฏฐาน4มีประโยชน์อะไรสมควรกักเราอะไรไม่สมควรกักเราดูเอาเองแต่ละคนไม่ได้ต้องการปฏิบัติครบสติปัฏฐานสี่ทุกๆบับนะทุกๆชนิดทุกๆ ก, กรรมฐานไม่ใช่หรืออย่างสมถะกรรมฐานมีกรรมฐานสีสิบไม่ใช่ทุกคนต้องทาทั้ง40 40นะั้นมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์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 เพราะงั้นถ้าพอถึงขั้นวิปัสสนาแท้ๆนะจะพูดว่าสายนั้นสายนีนะ้พูดแบบเพ้อๆไปแล้วพอทึ้งขึ้นวิปัสสนาแท้ๆนี่ไม่มีสายแล้วนะเพียงแต่ว่าจิตแต่ละคนชํานาญไม่เหมือนกันบางคนดูกายบ่อยบางคนดูเวทนาบ่อยบางคนดูจิตบ่อยแต่ไม่ใช่ไม่รู้อันอื่นอย่างพวกเราที่หัดดูจิตนะร่างกายขยับนิดเดียวรู้สึกนะอย่าว่า้แต่ตื่นเลยหลับอยู่นะร่างกายขยับยังรู้สึกเลยนะ